ถ้าหลวงพ่อบัวไปเราจะไปเรายังมีอะไรๆยิบยิบยิบยิบอยู่กับหลวงพ่อบัวพูดอะไรมันมีอะไรอยู่ข่องขใจเอานิมนต์ให้ได้นะบอกด้วยว่าเราก็จะไปนะจากนั้นคารวาสคนเดิมนี้ก็ไปนิมนต์หลวงพ่อบัวถึงที่วัดของท่านเหมือนกันหลวงพ่อบัว